พุทธจักสุอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าจะเจริญการุณาไปหาดูสรัรพพสัตย์ก่อนนะเช่นเจริญการุณาด้วยใช่ไนหะโลกเนี่ยถูกร้อนเหมือนกันร้อนด้วยราค่าเป็นต้นน่ยนะเจริญการุณาในสัตว์หาประมาณไม่ได้พอเจริญการุณาเสร็จก็ตรวจดูว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยมีอัธยาศัยพอจะบรรลุธรรมได้บ้างก็ตรวจดูมีไหมเนี่ยนะก็คือ แต่คำว่าตรวจปั๊บเนี่ยจริงๆแล้วก็จะเห็นทุกประเภทแต่พระ อ, องค์เนี่ย ม, มีมีตัวตั้งไว้เลยว่าเอาอารหัตตะมักมาตั้งก่อนมีมีไว้ในบรรดาศัพท์เนี่ยพอที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เอารองลงมาอีกอนาคามีอย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆจนถึงว่าสารณคมเนี่ยนะอันนี้ก็คือตรวจดูอัธยาศัยนะว่าจะมีผู้ใดผู้หนึ่งอะ มีมีอัธยาศัยแนวความคิดพอจะได้กุศลธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นบ้างถ้าบอกไม่มีเลยถ้านบอกอทำไงได้ไหมบอกว่าดูก่อนีิสูจทั้งหลายตลอด15วันเนี่ยนะให้พิสูจเข้าไปส่งอาหารอยู่รูปเดียวเหมงั้นกนก็หลีกเลนผมเรียน เ, เ น, น ว, ว่าก็ว่าครั้งแรกนี่ ตื่นแน่นอนไม่หลับเลยเดี๋ยวนี้มาเห็นล้วเฉยๆแนละ้ชินแลไน้ไม่เหมือนไม่เหมือนครั้งแรกในชีวิตฉัน <c oughs> พระองค์ก็จะตรวจดูนะว่ามีผู้ที่มียทายาศัยอย่างนี้ไหมอันนี้มีเฉพาะของพระพุทธเจ้านะอันนี้เป็นปัญญานะนะถ้าถ้าเกิดการสมมุตินะถ้าเราแบบเป็นคนช่างเรียบหน่อยนะบอกว่าโอ้โหพระ อ, องค์เนี่ยมองเเรียกว่ามองคนนะมองทะลุ ป, ปรุโ ป, ปร่งไปหมดเลยของเราเนี่ยมองคนก็หยุดแก้คนนั่นะ งเราเนี่ยนิ่งมากเลยนะไม่ไม่มีการเรียกว่าหยุดเข้ากับเรียกว่ารู้เฉพาะหน้าอย่างเดียวของพระ อ, องค์ไม่ได้นะตรวจทะลุโ ป, ป, ปร่งไปหมดส่วนธรรมจักรสุเนี่ยนะในะพระไตรปิฎกเนี่ยเราจะได้ยินกันบ่อยๆคือคำว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสวยาการณภาสิทธิ์เนี่ยจบลงนะธรรมจักรสุที่ปราศจากทุลีเนี่ยนะปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแล้วว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดานะนนี้เป็นธรรมจักรสุน่ะนะเกิธรรมจักรสุนั้นเกิดร่วมกับโสดาปฏิมักสกธาคามีมักอนาคามีมักและอรหัตตมักออขอไปไม่ถึงไนหะโสดาปฏิมักสกธาคามีมักอนาคามีมักโสดาปฏิผลสกธาคามีผลอนาคามิผลนะเกิดร่วมกับ มักสามผลสามเบื้องต่ำเนี่ยนะอันนี้แกก็เป็นธรรมจักสุเนี่ยนะเพราะว่าธรรมจักรสุนั้น่ะเป็นเทวะรู้เห็นแจ้งธรรมะที่ปราศจากทุรีปราศจากมนทินเนี่ยนะมักกับผล อนนีสกอาาคือสกอาธาอนาคาเมอ่ะตัวเนี้ยโดยทั่วๆไปเราจะได้ยินคำบ่อยๆนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาอันนี้คุณคุ้นกันมากถามว่ายานที่รู้อันนี้คือยานไหนยานที่ว่ารู้สมมติว่าเกิดดับเนี่ยนะอันนี้หมายถึงโซดาปฏิมร์เป็นต้น ในขณะที่โสดาปฏิมักเป็นต้นเนี่ยมีนิพานเป็นอารมณ์มีนิพานเป็นอารมณ์เนี่ยอันนี้โดยอารามณะปัจจัยนะก่อนที่ก่อนที่มักเกิดเนี่ยนะก่อนที่มักเหล่านี้จะเกิดมาจากอะไรนะว่าคร่าวๆก่อนนะก็มาจากวิปัสนา ทีนี้วิปัสนาเนี่ยมีอะไรเป็นอารมณ์ก็มีขันเป็นอ่นนะขันอายตนะหรือธาตุนั่นแหละเป็นอารมณ์ทีนี้ขันอายตนะธาตุเหล่านั้นอะ่ะท่านเห็นโดยอะไรบ้างโดยอ น, นิจจังโดยทุกขังหรือโดยอนัตตาเนี่ยนะท่านจะเห็นไอตัววิปัสนาที่เป็นปัจจัยแกมมักเนี่ยท่านเห็นขัน น, นะโดเอ่อตัวปัญญานะเห็นขันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นอนัตตาแล้วอ่ะเห็นทุกข์ขัดอันเนี้ยมุ่งเอ่อตัววิปัสนาเ น, นี่ยนะมุ่งสลัดออกจากขันอายตนะธาตุเหล่านี้โดยเจตนารมณ์แล้วอ่ะมุ่งต่อมุ่งที่จะเห็นพนิพานอันนี้การจะเห็นนิพานได้ก็ต้องด้วยอริยมรคนั้นขณะที่มรรคเกิดขึ้นมีนิพานเป็นอารมณ์อย่างนี้ท่านเรียกว่า ขณะ ท, ที่มักผลมีนิพานเป็นอารมณ์ท่านบอกว่านี่แหละเรียกว่าธรรมมาจากสุว่าเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาท่านบอกว่ารู้พวกขันยตนะที่เกิดดับโดยกิจเนี่ยนะอันนี้โดยกิจตัวมักเนี่ยนะรู้ทุกขสัตย์โดยกิจแต่รู้นิโรธสัต์โดยอารมณ์เนี่ยนะ แล้วก็พื้นฐานถามว่าเราจะทำยังไงของเราอีกก็เราก็ลดมาเานะว่าย่อๆเลยสุตะเรื่องอะไรอันเนี้ยขันนันยตนะให้ดีๆเ น, นะของเราก็ลดมาเหลือตอนนี้เนะ่ยอย่างนี้ก็ผ่านนะทำมาจากสุ ส่วนสมัญตะจักษุนี้เน้น เ, นนเน้นอะไรเน้นส พ, พันยุตยานนะส พ, พันยุตยานเขาบอกว่าเหมือนอย่างว่าสุร่านี่ปราสาทคือตึกอ่ะนะตึกหลายๆชั้นเนี่ยมีคนคนหนึ่งอ่ะมายืนอยู่บนเนี่ยถามว่าปกติเขาสามารถมองเห็นได้รอบใช่ไหมมองเห็นได้รอบชั้นใดพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้มีสมัญตะจักษุก็จะเห็นโดยรอบชั้นนั้น น, นะพราะองค์ไม่จําเป็นต้องไปขึ้นไปยืนอยู่บนที่สูง แต่อุปมาเหมือนอย่างว่าคนที่ยืนอยู่บนที่สูงก็มองเห็นได้โดยรอบฉันั้นแต่คำว่าที่สูงอันนี้อุปมานะทานไอ้คำว่าไม่แน่อาจจะขึ้นสูงมากจริงๆก็ไม่เห็นอะไรอีกเหมือนกันนั่นแหละแต่หมายสูงที่มันอยู่ในระดับทัศนวิสวัยนี่นนะ น, นี้ก็อุปมานะเพื่อให้เห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นสามมอ่อสามารถที่จะมองจะพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยรอบ แล้วรอบนั้นนะรอบทั้งที่เป็นอดีตด้วยนะแล้วก็รอบทั้งที่เป็นอนาคตมันไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าน้อมไปรู้แล้วจะไม่รู้เนี่ยไม่มีเลยเนี่ยนะรู้หมดเลยส่วนที่พระจกักษุอันนี้ก็หมายถึงอะไรหมายถึงตาที่เป็นเพียงดังทิพย์เนี่ยนะอันนี้หมายถึงว่าอภินยานะนะั่นหมายถึงอภิญญานะเาามนุษย์เนี่ยที่จะมีตาทิพย์แบบนี้ต้องอาศัย อภินยาที่ที่จะไปเห็นก็กว่าเห็นได้ไกลเห็นได้ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยน ะ, ะด้วยแต่ตามกําลังของอภิญญานั่นเองส่วนปัญญาจาักสุอันนี้เป็นยังไงนั น, นะก็คือที่ในธรรมจักนะนะเราเคยได้ยินบ่อยๆว่าจักคุงอุทปาทิยานังอุท ạ ปาทิปัญญาอุท ạ ปาทิวิชาวุทปาทิอาโลโกออุทปาทินี่นะ ยางอุท่าปาทียก็คือจากสุปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่านี้ทุกนี้สมุทัยนน่นีทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขานิโรธคามิมีปฏิปทาเนี่ยนะแล้วก็ทุกเนี่ยเป็นยังไงอีกไนะปัญญาจากสุเนี่ยนะรู้ว่านี้ทุก ไม่มียิ่งอื่นไปกว่านี้อีกแล้วทั้งหมดนี้เป็นทุกนี้สมุ ท, ทยัยสมุทัยไม่มียิ่งกว่านี้นี้นี่โรดเนี่ยนะความสงบประ ง, งับจากกองทุกข์ทั้งมวลนี้มัจก็บอกว่าทุกนี้ค ว, ควรควรไงควรรอบรู้ว่างั้นเถอะทุกนี้เราเอ่นะรอบรู้แล้วเนีย่ยนะทุกนี้ควรทำปริญญาใช่ไหมอันนี้รอบที่หนึ่งรอบที่สอง รอบทีสามบอกนี้ทุกทุกควรกําหนดรู้ทุกเรากําหนดรู้แล้วเนะนะีเพราะฉะนั้นแอกกิจที่มารู้ว่านี้ทุกสมุทัยนีโรดมัดอันนี้เป็นปัญญาจักสุทีนี้ปัญญาจักสุอันนี้นี่ก็ถ้าจะย่อลงมาอีกเอาว่าเอาบริบูรณ์ก็คือขณะโลกุตระขณะที่รู้อย่างนี้เต็มนะคือขณะโลกุตระแต่ก็เท่ากับว่าสแสดงอนุวัตชั้นนั่งล่างคือโลกิยะด้วย อนนัโลกิยะที่รู้อริยสัจเนี่ยมาจากเอาระดับไหนก็ระดับเอาตั้งแต่สาวมาลึกๆเลยก็คือสุตตะนั่นเองนะยานที่จะที่จะมีปัญญาจากสุรู้ว่านี้ทุกนี้สมุ ท, ทยัยนี้นิโรดนี้มรรคก็ไล่มาตั้งแต่ฟังเรื่องอริยสัจเนี่ยนะฟังอริยสัจมาเป็นอย่างดีแล้วมันก็จะเป็นปัญญาที่จะให้รู้อริยสัจอย่างนี้ อันนี้เป็นจักสุทั้ง5ประการที่เป็นยานะจักสุนะตัวนี้ก็ถ้าเอามันแล้วแต่จะเปรียบแล้วแต่จะมองถ้ามองโลกุตระเลยก็ก็เป็นอารันะอรผลปเลยเพราะว่าเ่นอันนี้น่าจะเป็น่อันนี้โดยในในแง่ของเทศนาอาจจะทั้งโลกยะกับโลกุตระก็ได้ เพราะว่าตัวที่เห็นอริยสัจอย่างนี้เนี่ยเห็นทั้งมรรคทุกมรรคก็ต้องเห็นอริยสัจทั้งหมดแต่ว่าไม่ได้แสดงให้เห็นต่างเฉพาะตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยนะถ้าถ้าจะแยกแบบนั้นก็ก็ไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็แสดงกับผู้ที่กำลังบรรลุธรรมนะเช่นฝั่งที่ใดที่หนึ่งก็บรรลุธรรมะนะเช่น พระอาศชิฟังภาษารีบุตรแสดงก็ บ, บรุลุหรือพระอัญญาโกณทัญญาฟังทรรมจบก็ บ, บรุลุนี่จะใช้กับศัพ์นี้ส่วนคำสอนที่ว่าจักสุเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วเป็นต้นเนี่ยอันนี้ใช้กับตรงนี้คือปัญญาที่เข้าไปใคร่ครวนอริยสัสนี่จะใช้กับปัญญาจักสุเธ อ, อตรงนี้ท่านหยิบข้อความที่เป็นญาณจักสุในคใน ในพระไตรปิฎกกันนะว่าคําว่ายานจักสูในพระไตรปิฎกเนี่ยมีใช้กับที่ไหนบ้างเนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่เน้นจะต้องการมาแยกว่าเออนี่จักสูระดับนี้จักสูระดับนี้จักสูระดับนี้แต่ท่านยกมาลักษณะว่าสับว่ายานะจักสูเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างในพระไตรปิฎกแต่ละแห่งใช้ในความหมายอะไรผ่านถ้าอ่านเจอคําว่าธรรมาจักสูให้รู้ว่าเป็นมรสามถ้าเป็นปัญญาจักสูก็คือปัญญาที่รู้เห็นอริยสัจ คือรู้เห็นอริยสัจเนี่ยนะก็อันนี้ทั้งสองอย่างนี่แล้วก็ถ้าจะอนุวัตก็มาถึงนี่ด้วยก็ได้ก็นับว่าเป็นปัญญาเหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าใช้กับอันนี้ก็หมายถึงใช้กับพระพุทธเจ้าถ้าเป็นในพุทธวงศ์นะคุณมุนชูทั้งห้าเนี่ยใช้กับพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเช่นว่าบกบาลีถ้าอ่านเจอว่าจักขุมา จะขูมาแปลว่าผู้มีจักสูนั่นเองนะพระพุทธเจ้าผู้มีจักสูเนี่ยถ้าถ้าเป็นพุทธน์ใช้กับพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่ให้รู้ว่าศัพท์เหล่านี้บริบูรณ์ในพระองค์แต่ถ้ากับคนอื่นก็จะพอมีได้ก็หนึ่งของหนึ่งสองสามได้สามะพุทธจักสูกับสมันตาจักสูอันนี้จํากัดมีเฉพาะพระพุทธเจ้ า, างี้เราก็ได้นะ สีอสงไขยเศษอีกแสนกับเ่ย<ม>ต่อ๋ออันนั้นมังสะจกสักรสุไม่ต้องใช้ทิพ อ, อั น, นันนในยังคือตัวคำว่าจากักรสุนะจกักรสุมีสองคือยานะจักสูุมีห้ากับมังสะจกสักรสุมีสองนี่มังสะจักรสุสองก็แบ่งเป็นอะไร ส, สัมภาระจักรสุกับปสาทะจักรสุเนี่ยนะก็แบ่งออกเป็นสองนี้ตัวที่มองเห็นรัศมีสิบหกกิโมตรโดยรอบทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยนะอันนี้หมายถึง ป, ปสาทะจักสุของพระพุทธเจ้าเนี่ยเจักรุนี่แปลว่าอะไรครับผมฟังไม่ทันสมัตานี่แปลว่าโดยรอบโดยรอบนะครับจักรูุแปลว่าเห็นก็คือเห็นได้โดยรอบ เห็นโดยรอบนี้อย่าไปหมายถึงจักขุตานะหมายถึงปัญญาที่รู้รอบหมดตอนนี้ก็ประกาศถึงตัวปัญญาห้าในแง่ยาเนีจักโสคลองผ่านนะในห้องถ้าใครอยากถามเรื่องจักโสก็ไปถามได้กับทุกคนเลยห้องเงียบหมดเงียบเพราะไม่รู้ไม่ใชเงียบเพราะรู้ ไม่แน่นะว่างงั้นไม่ได้ผู้การน้อยใจลําบากเรารู้ว่าเราไม่รู้ได้ยังไงก็บอกว่าผมรู้ผมก็รู้ว่า ผ, ผมรู้มางั้นผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าผมไม่รู้งั้นยุ่งเลยนะส่วนมังสะจกสักษุนี่แบ่งออกเป็นสองนะคือ สัสมภาระจักสุกับภาษาทะจักสุสัสมภาระจักรสุก็แบ่งออกเป็นสองคือโดยสังเขปกับโดยพิสดารนนะโดยสังเขปท่านบอกว่ามี14อันนี้ว่าตามคำพีตรงตรงไปก่อนนะ โดยพิสดารมีสี่สิบอันนี้เรียกว่าเรียนกันคนละในนะที่เราคุ้นเคยกันว่าพิสดารเนี่ยมีสองในอีกในหนึ่งก็เท่าไรจ้างคิดสอนห้าสิบสี่อนะเดี๋ยวค่อยมาคิดถึงวิธีคิดว่าวิธีการคิดแตกต่างกันนซึ่งอันนี้เรียกว่าแสดงตามโบราณอาจารย์ในอันรยาถา ส่วนแบบ5 4เนี่ยคือพระพุทธโคษาจารย์ท่านมามาเรียบเรียงอีกครั้งหนึ่งว่าอะไรควรตัดออกก็ตัดออกไปเนี่ยนะใน14นี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็มาดูว่าท่าสก่อนนะท่าสี่ในอ่ออสีวั น, นะเนี่ยนะสีกลิ่นรสโอชาสัมภะ ชีวิตภาวะแลวก็กายจากคู่อีกหนึ่งนะอันนี้ได้สิบสี่พอดีนะคือธาตุสีกลิ่นรสโอชาสัมภวะจริงๆก็คืออาโปธาต แต่ว่าในในคำพีร์รุ่นหลังๆเนี่ยตัดคําว่าสัมภาวะออกไปเพราะว่ามันก็ซ้ําอยู่ในอาโปธาต์อยู่แล้วแต่ถ้าคมภีรโบราณเลยจะรักษาศัพท์เนี่ยคือสัมภาวะเอาไว้แต่จริงๆก็คืออาโปธาต์ทั้งวิสุทธิมัททั้งดีกาเนี่ยบอกเลยว่าสัมภาวะคืออาโปธาต์แต่ว่าอาจจะด้วยเหตุผลใดไม่ทราบว่าทําไมท่านจึงแยกว่าสัมภาวะมาแสดงซ้ําอีกเนี่ยนะ แต่ก็มีอีกบางแห่งที่อธิบายแต่ว่านั่นเรื่องการวินิจฉัย ใ, ในคำพีไปอ๋อนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเอขออภัยนะจำเลขผิด โดยสังเขปมี13ไม่ใช่นะโดยสังเขปมี13คนที่เรียนคำพีอยู่แล้วไม่ต้องจดก็ได้นะน่าเสียแต่ว่าโดยพิสดารเนี่ยท่านก็คิดต่างจากเราอีกเหมือนกันนะโดยพิสดารท่านแบ่งออกเป็นที่มาจากกรรมสมุดฐานจิตตะสมุดฐานอุตโตสมุดฐาน อาหารสมุทฐานอย่างละเก้าคือมาจากกรรมเก้าจิตเก้าอุตุเก้าอาหารเก้ารวมเป็นเท่าไหร่สามสิบหกนะทีนี้สามสิบหกก็มาบวกกับบวกกับชีวิตหนึ่งภาวะหนึ่งกายหนึ่งจากขู่อีกหนึ่งเป็นเท่าไหร่เป็นสี่สิบพอดีใช่ไหม อันนี้เรียกว่านับ40โดยพิสดาร <c oughs> ถามว่า9ตัวนี้มาจากไหนก็คือเนี่ยธาตุสีกลิ่นรสโอชาสัมภวะเป็นเาพอดี เ, เก็9นั้นเกิดจากกรรม9ที่เกิดจากจิตเกิดจากอุตุและเกิดจากอาหารบวกกับชีวิตภาวะกายและจากหกอีกก็เป็น4ี่สิบ ส่วนแบบ54ที่เราคุ้นเคยกันก็มาแบ่งเป็นจักขุทัศกะกราบ10ภาวะทัศกะกราบอีก10กเนี่ยนะกายทัศกะกราบอีก10เนี่ยนะอาหารอ่าเรียกว่าอาหาร8อุตุ8จิตอีก8เนี่ยนะก็มีทั้งหมด54รูปอันนี้กล่าวแบบ กลาปะแบบกลมๆเนี่ยนะอันนี้อันนี้เราคุ้นเคยกันแต่นพระไตรปิฎกเอ่อขอนอัธถกาถาสแสดงไว้ทั้งสองทั้งในคือพิสดารแบบ40กับพิสดารแบบ40 อ, อ54เนี่ยนะถนัดแบบไหนก็เอาแบบนั้นแต่นี่ยังไม่ได้เข้าตัวภาษาทักจักสูตรที่กำลังจะพูดเลยใช่ั้ย ยังเนาะที่บอกว่าจักภูไม่เที่ยงอ่ะยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยนะอันนี้มโวแต่ขยายคําว่าจักสุไปเรื่อยก่อ น, น, นมวนมน ว, ว่าากกเอออคืออย่างที่กล่าวไปมาก็ว่าไปตามสมุทฐานก่อนเนะกรรมกรรมเนี่ยก้าจิตก้าอุตุก้าอาหารก้าเสร็จแล้วก็คือชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้ไปบวกกับว่าคือไม่ได้แบ่งว่ากรรมเนี่ยแบ่งออกเป็นสองนะ กรรมนี่แบ่งออกเป็นสามเข้าไปกรรมเนี่ยกรรมชาลปเก้านี่แบ่งออกเป็นสามคือภาวะหนึ่งกายหนึ่งจักรโคหนึ่งไม่ได้แบ่งพอไม่ได้แบ่งปั๊บมันก็เลยลดมาเหลือแค่สี่สิบแล้วก็ตัวที่เพิ่มอีกอันหนึ่งเนี่ยคือตัวนี้อันนี้เพิ่มขึ้นมาซึ่งตามวิสุทธิมรรคและตามดีกาท่านก็บอกว่าก็จริงๆก็คืออาโปธาสนั่นแหละ นะถ้ากล่าวในแง่นี้จึงไม่จำเป็นต้องนับเพิ่ ม, มก็สามไก่ธาตุสี่เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปนับเพิ่มอะไรแต่ว่าให้รู้ว่ามีแสดงทั้งสองวิธีนี้ก็ธาตุสี่อ๋อนะธนะา 4, ตาุสี่สีเกลิน่นรสโอชาสัมภวะเก้า นี่ไงสัมภวะนี่ไ ง, องเอาจริงๆเอาก็ซ้ำไงเพราะฉะนั้นก็จึงไม่ต้องนับแต่ว่าอันนี้คือวิธีนับเราต้องอยอมในคำภีร์มีสแสดงทั้งสองวิธีมีสแสดงทั้งแบบนี้แบบนี้เราต้องเข้าใจยอย่างหนึ่งคือคำพีเนี่ยมันจะมีคำภีร์ก่อนพระพุทธโคสาจารย์เรียบเรียงอย่างหนึ่ง กับสมัยที่พระพุทธโคสจารย์เรียบเรียงสมัยคำภีร์สมัยก่อนพระพุทธโคสจารย์เรียบเรียงเนี่ยเป็นคำภีร์ที่เรียกว่าเหมือนสัมนวนใช้คําว่าเหมือนกระจัดกระจายเนี่ยนะคือคือคำที่มันซ้ําๆเนี่ยเยอะมากอะไรที่มันเหมือนกับพรุงพรังไปหมดเลยเนี่ยเยอะมากพอมาสมัยท่านท่านไปค้นคว้าในศีรษะเนี่ยท่านก็มาเรียบเรียงก่อนอัไหนที่มันซ้ําๆตัดออกไป ให้มันให้มันเหลือไอแบบที่ไม่ซ้ำบางครั้งก็มานับแต่แบบเฉพาะที่ไม่ซ้ํางนั้นพระพุทธโคสาจารย์เนี่ยมาพานนับแบบนี้แต่ว่าวิธีนับบางอย่างที่แบบโบราณก่อนหน้านี้ท่านก็ยังไม่ท่านไม่ลบออกไป น, นะท่านก็ยังมีให้เห็นบ้างว่าเออเนี่ยท่านว่าอย่างนี้นะแต่ว่าพอวิสุทธิมรรคท่านก็บอกก็บอกว่าจริงๆริงมันก็คืออาโปธาตันแหละดีกาท่านก็บอกว่าสัมภาวะนั่นก็คืออาโปทาต อันนี้คือเรียกว่ามองในแง่คำพีที่ที่เขียนขึ้นแต่ทีนี้ถามว่าไอ้คำว่าสัมภาวะอันนี้มีประโยชน์อะไรไหมมีประโยชน์แต่ว่าไม่ไม่เอามาวินิจฉัยณที่นี้แต่ว่ามันมีประโยชน์ที่จะทำให้ไปคิดอีกเรื่องหนึ่งเนี่ย ตัดตัวร่วมออกก็เอาออกได้เฉพาะสามภาวะอย่างเดียวที่ไม่ซ้ำนะอะไรได้ตัวเดียวเหลือสิบสอง เ, าาเคอเราคุ้นเคยกับแบบนี้มา ม, มันเป็นอะไรคือคือเห็นแล้วเข้าใจเลย อย่างนี้ต้องมานั่งคิดกันดิบดูไหมซ้ำดูไหนเกินดูไหนใช่เพิ่งให้คือเราเห็นอย่างหนึ่งว่าคนสมัยก่อนเนี่ยนะเขาท่องเที่ยวในปริยัติจริงๆเขาคิดหลากหลายวิธีมากานะแต่ถามว่านี่แบบคิดแบบนี้นะถามว่าถ้าเทียบกับอภิธรรมปีดกแล้วแคบมากอภิธรรมปีดกนะโอ้ยเป็นอะไรจะขนาดนั้นนะสมมุติว่าทาตสีนะสมมติว่ า, า, นะมมวาคำทีท่านบอกว่าท่าสี ธาตุหนึ่งเป็นปัจจัยแกธาตุสามธาตุสเป็นปัจจัยแก่ธาตุหนึ่งธาตุสองเป็นปัจจัยแกธาตุสองอันนี้อันนี้หลักก่อนนะเสร็จแล้วก็มาบอกมาตั้งอีกปัทวียาโปเตโชวาโยเป็นปัจจัยแกเนี่ยนะเราไล่เยอะอย่างเงี้นะแสดงว่าโอ้โหท่านนั้นมองแล้วจากกี่ไม่รู้กี่ ม, มุมกี่ตลบมามาไข่ครวนเนี่ยนะอันนี้เห็นว่าเขาไข้ไข่ครวนในสิ่งเหล่านี้จริงๆถามว่าเพื่อประโยชน์อะไร คือพรปกติฉันทราคะหรือตัณหามา n a มันมีในในสิ่งเหล่านี้มากเพราะฉะนั้นวิเคราะห์จนมันเป็นผุ๋ยผงไปหมดจนไม่ไม่รู้เอาตัณหาไปไปตั้งไว้ที่ไหนเขาบอกว่าผู้ที่พิจารณามากๆเนี่ยเหมือนอย่างว่าเหมือนอะไรเหมือนกับมีมีปราศาสตเนี่ยนะสมมุติว่าเป็นช่องหน้าต่าง หน้าต่างช่องทางนี้นะว่าดวงอาทิตย์อยู่ทางนี้นมันก็ส่องส่องแสงเข้ามาถ้าหน้าต่างนี่เปิดเนี่ยตัวตัวแสงเนี่ยมาตกอยู่ตรงไหนตกอยู่ที่ฟ้าก่อนใช่ไหถ้าไม่ฝีฟ้าตกอยู่ที่ไหนตกที่พื้นถ้าไม่มีพื้นตกที่ไหนตกที่ดินถ้าไม่มีดินตกที่ไหนท่านบอกว่าตกที่น้ําถ้าไม่มีน้ําเลยอ่ะอันนี้จะตกอยู่ที่ไหนตัวตัวแสงที่ส่องมาเนี่ยนะมาตก ก็ว่าไม่มีที่ตกอ่ะนะก็บอกว่าผู้ที่เจริญเนี่ยนะก็เหมือนกันอนะ่ะจนวิญญาณไม่มีที่ตั้งอ่ะนะเอาจนสมมติว่าจนกว่าจิตไม่มีที่ตั้งคือสังขาร น, นิมิตทุกชนิดระวังกันเถอะจะต้องวิเคราะห์ขนาดนั้นอ่ะนะจนจิตมันหลีกออกจากสังขารทุกชนิดได้นั่นแหละจึงจะเลิกสอ น, นเคยฟังพระท่านบอกว่าพระสูตรนี่มันตัดเป็นตน้น ว่าที่ทำนี่สับละเอียดนนยยสับยุงๆบางทีเรากินตเคี้ยวอ่ะสับละเอียดนี่คือลงไปเลยคือแต่ก่อนผมก็ไม่ค่อยสนใจในะเรื่องตัวเลขนี่นะแล้วก็ได้รับคําสอนมาว่าตัวเลขนี่มันไม่เรื่องเกี่ยวเรื่องปฏิบัติเลยแล้วก็เข้าใจงี้มา น, นานนะจนกระทั่งตัวเลขนี้จะเป็นตัวที่มีความสําคัญมากเลยนะประการที่หนึ่งคือว่า ทำให้เรารวบรวมได้ได้องค์ธรรมได้ครบตามนั้นจะได้นึกออกว่าอันนี้มีแปดจะต้องมีอะไรบ้างครบแปดท่องมาได้ถึงนึกไปได้ถ้าหกแสดงมาขาดอีกสองอะไรอย่างนี้ฮะ อ, นนอันนี้อันนี้อันหะนึ่งนะอีกอันหนึ่งคือที่สำคัญคือว่าแต่ละตัวนั้นมันมีความหมายของมันเช่นสมมติว่ามีห้าสิบสี่ตัวเนี่ยห้าสิบสี่ตัวนะแต่ละตัวนั้นมีความหมายหมดเลยเพราะเป็นตัวปัจจัยเป็นตัวปัจจัยแล้วถ้าท่องกอให้เกิดปัจจายุบรรณ ตา ม, มาเนี่ยมันอะไรบ้างเนี่ยแล้วการกำหนดาสามัญลักษณะอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้นะก็ไม่ทราบว่าจะเอาอะไรมาเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเครื่องพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังยังไงก็ เดี๋ยวนี้ก็เห็นเห็นคุณแนะ้วแล้วก็อีกยังเห็นว่าในสมัยโบราณนะท่านท่านศึกษาปริยัตินี่จริงจังกันมากเลยนะดูในคัมภีร์สังเขปสมัยยุธยานะหรือว่าดูในวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์นะฮะท่านก็กล่าวถึงอย่างนี้นะว่าว่ารูปรู ป, ร ป, รปจักรจุเนี่ยนะมีประกอบด้วยห้าสิบสี่รูปนี่นะทราฉนก็กล่าวไว้ชัดเจนเลยนะ ก็ถ้าเป็นสายที่ศึกษาปตาไตยปิฎกอัตกถาอย่างเคร่งครัดก็จะต้องยกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็พิจารณานะฉั้นเวลาปรารบคําว่าจักสูบเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยท่านมีเรื่องคิดเยอะนะสมมติว่าเป็นเป็นผู้ที่พระหูสูตรนะนะผู้สํานวนว่าผู้คงแก่เรียนเนี่ยพอใช้คําว่าจาักสูบปั๊ปบท่านก็จะเอาคําว่าจักสูบเนี่ยมาแบ่งก่อนอย่างน้อยจักสูบมีสองคือญาณาจักสูกับ ส, สัมภาระจักสุ ในแง่ยานนาจักสุก็แบ่งออกเป็น5้าทำไมพุทธจักสุสัมมันตะจักสุทิพทาจักสุยานาจักสุธรรมะจักสุอย่างงี้นะปัญญาจักสุสัสมภาระจักสุก็แบ่งเป็น2อคือขออภัยนะมังสะจักสุก็แบ่งเป็นสองคือสัสมภาระจักสุกับปสาท่จักสุที่นี้การที่จะเข้าใจ สะสัมภาระจากสุเออขอไปอจะเข้าใจภาษาธาจากสุได้ความรู้เรื่องสสัมภาระจากสุมีมาก่อน